Thank mm -hmm. you.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 สถานภาพหรือว่าเครื่องแต่งกายจีวร อ, อันนี้ก็บ่งบอกว่าเป็นพระแต่ก็ไม่ได้แล้วครับว่าจะเป็นพระไปทั้งกายและใจก็มือคนที่เล่นบทพระนะเขาอาจจะผมจีวรแล้วก็กกนผมแต่ว่าตัวเขาก็ยังเป็นคารวะแต่เมื่อเขาเล่นบทพระเขาต้องเล่นให้ดีนะต้องมีกริยาวาจาที่สํารวมแต่ว่าพอลงจากเวทีไปแล้วเขาก็าอาจจะเหมือนคนปกติเาก็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 ที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้เวลาอยู่กับลูกเราก็เป็นพ่อเป็นแม่แต่เวลาเราไปเจอนักเรียนเราก็กลายเป็นครูเวลาเจอเพื่อนเราก็กลายเป็นเพื่อนความเป็นแม่ก็วางมันลืมไปเลยลืม ค, ความเป็นแม่ไปเลยเพราะว่า อ, อยู่กับเพื่อนบางทีคอยหลังกลับไปเป็นเด็กหัวเราะหัวเราะกันสนุกสนานทําตัวมันเด็กก็มีทั้งๆ ท, ที่เมื่อกี้นี้ยังทําตัวเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าสํานึกว่าเป็นแม่เป็นพ่ออยู่ต่อหน้าลูก บทอย่างนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาโดยที่เราอาจจะไม่ทันสังเกตแต่เราก็ต้องรู้ว่ามันเป็นของลู่คราวอย่าไปเยอะเป็นจริงเป็นจังอย่างสมเด็จโตท่านเป็นพระราชกันะสมเด็จผู้ทาร์จานแต่ท่านก็รู้ว่าอั น, นี้มันโผล่โผลท่านก็ยังระลึกอยู่เสมอว่าเป็นรูปตาหรือหลวงตาธรรมดาธรรมดานั้นท่านก็อยู่อย่างง่ายๆ่ยติดดินถึงเวลาเข็นเรือก็ลงไปเข็นเรื อ, ไ, ลลอไม่มีการวางมาดวางฟอง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 ออลงจากเวทีแล้วก็ยังคิดว่าตัวเป็นพระเอกอยู่อันนั้นมันก็เป็นความหลงหรือเป็นความโง่ชนิดหนึ่งที่เกิดจากการไปสําคัญบันหมายบทนั้น<ม>คือเราคือตัวจริงท่านนี้บนมาอุนหมยนี่เนี่ยเขาก็หมายถึงชีวิตหรือว่าโลกกว้างชีวิตภายนอกแต่โลกด้านในหรือชีวิตภายในเนี่ยมันก็เปรียบมืนกับลงละครได้นะชีวิตด้านในก็หมายถึงเรื่องความรู้สึกนึกคิด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 ฉากไนที่เบื่อหน้าเบื่ออยากจะให้มันไม่มีฉากนี้ซะเราก็ทำไม่ได้ควบคุมไม่ได้เลยจะไปยึดก็ไม่ได้จะไปผักสายมันก็ไม่ได้มันก็เป็นไปตามเรื่องของมันจนกว่าเราจะฉลาดพอที่จะหันกลับไปมองว่าที่จริงไอ้ภาพพวกนี้เนี่ยเทียบกับบนจอเนี่ยมันมาจากเครื่องฉายถ้าเราไม่ชอบภาพไหนเราก็อาจจะเอามือไปปิดเครื่องเอาไว้นะไม่ให้มันปรากฏภาพออกมาอันนี้ท่านก็เปลี่ยนมันก็ว่า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 ก็ปล่อยวางอย่างสิ้นเชิงท่า น, นั้นก็เปลน่ยนมันก็่าโยนเครื่องใช้หนังทิ้งไปเลยทีนี้บนจอก็ไม่มีภาพเลแลวคือว่างหมดสิ้นซึ่งการปรุงแต่งเพราะนี่อันนี้เนี่ยถ้าเรานำอปุปมาอุปไมยนี้มามาเตือนใจก็ดีนะว่าเราเป็นแค่ผู้ดูนะแล้วเราก็ดูให้เป็นการปฏิบัติของเราก็เพื่อฝึกให้เราเป็นผู้ดูเฉยๆ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 ถ้าไม่ได้เห็นอย่างนั้นถ้าไม่ได้มีเอาลงความรู้สึกร่วมไปกับทีท่าของตัวฟอ้อนลำท่านกลับเห็นว่าโอ้นี่นมันคือบ่วงของมารท่านมองทะลุไปเห็นว่านี่คือบ่วงของมารมานี่มันต้องการล่อให้เราเข้าไปติด ก, กับท่านเห็นโทษของกามและน่ากามเนี่ยคือบ่วงแห่งมา น, นั่นเองพอการเห็นโทษของการปรากฏแก่ใจเนี่ยท่านก็เกิดความสวดสังเวชขึ้นมาแล้วก็บรรลุ ธ, ธรรมในขณะที่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 หลังโรงละครเขากาลังเปลี่ยนเครื่องแต่งกายตัวละครเอาถอดเครื่องสำอางออกนะเราก็พูดจา ก, กันอย่างปกติของเขาแต่ว่าดูหยาบคายเรียกกูกูมึงมงบนเวทีเขาพูดเพราะพี่ข้าพี่ขาแต่ในหลังโรงละครนี่เขาพูดกูกูมึงมองมึงมที่ก็ด่ากันไปด่ากันมาเราเห็นหนางเอกหลังฉากแล้วเป็นอย่างนี้มันก็เกิดความเบื่อหน่ายนะปรงเลยนะ ที่เคยรักลหลงไหลนี่มันคลายไปเลยบางทีชีวิตจริงถ้าเรามองให้เป็นก็แบบนั้นอย่างพระยศรัศสะเนี่ยก็มีชีวิตเรียกว่าเป็นเศรษฐีร่ำรวยแวดล้อมไปด้วยสิ่งสวยงงามแต่คืนหนึง่งนะได้เห็นพวกว่านางรำนางละครที่เคยร้องรำทำเพลงได้สวยงดงามดูหน้าชื่นใจแต่พอก่างคืนก็เห็นนอนกันกายกันไปกายกันมา มันไม่เหมือนกับตอนที่เขาลําให้ดูตอนที่เขามาดูแล้วใจใส่ภาพมันผิด ก, กันเยอะเลยเห็นแล้วก็โปรงเลยนะตัวละครบ้างก็หลับนอนบ้างก็น้ํำลายหลายบ้างก็ภาพพอหลุดลุ่ยเห็นแล้วไม่ได้เกิดความกําหนักอะไรขึ้นมาแต่เกิดความโปรงส่งเวทนั่นนี่คือเหตุนหนึ่งที่ทําให้ท่านต้องเดินไปอย่างไรจุดหมายมาพูดเดินไปกระบ่นไปที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเข้าไปในตายสิ ป, ปันนา ก็ไปพบพระพุทธเจ้าพอดีพรุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอแล้วก็แสดงทําให้จงทั้งยัสสานิบรรลุธรรมเป็นโสดาบันทั้งหมดนี้ก็เริ่มมาจากภาพที่ยัสส์ได้เห็นผู้หญิงที่สวยสง่างามนะแต่ว่าภาพที่เห็นนั้นเนี่ยมันชวนให้เกิดความเบื่อหน่ายหรือว่าเกิดนิพิทาวิลาค้าขึ้นมาอันนี้ก็คือ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 ซึ่งเป็นเพื่อนของครวัวอินโขงโครวัวอินโขงในี่ใครที่รู้เรื่องจิตกรรมฝาผนังสมัยตวรัฒนาโกเิ็์ก็จะรู้ว่าเป็นเป็นเบอร์หนึ่งครวัวอินโขงที่เก่งมากแล้วก็พระกูกสินสังวรก็เป็นศิลปินเหมือนกันท่านก็ออกแบบบได้ได้ไม่เหมือนใครหน้าต่างก็เป็นรูปพัดยศสมมุติหน้าประตูทางเข้าก็เป็นคล้ายๆโรงละครประตูโรงละครมันก็เตือนว่า Hey, โลนี่ก็คือลงละครอย่างหนึ่งสมมติการทั้งนั้นแม้แต่พระโยก็สมมุติข้างหนนี่วาดหลังพระประธานเป็นฉากผ้าราชการที่สีมาทอดก็ถิ่นเห็นเห็นเขาก็เลยทักว่าไปเอามา่านในวังนี่มาติดเพราะเหมือนมากแล้วก็หน้าพระประธานนั้นเนี่ยคือปัญหาหน้าพระประธานเนี่ยท่านก็จะวาดเป็นเวสันดรชาดกแล้วก็ตรงหน้าประธานเลยจะเป็นภาพอุทยานในสวรรค์ ของพระอินทร์กับ น, นางพุทธดีและที่มีปัญหาคือมีลูกอับศรเทวทิดาเจ็คนกําลังสงสนางกันในสะระลวงท่าอากัศเกลียต่างๆเนี่ยราชกาลที่4เห็นแล้วไม่ไ ม, ไม่โปรดเพราะว่าอับศรบางบางตนนี่ก็ผ้าผ่อนหลุดลุย่ยบางตนก็กําลังแหวกผ้าบางตนก็กําลังนอนคว่ําในสระน้ำนะโผล่ตะโพกออกมาไม่มีผ้าเลยบางคนก็ ว่ายน้ำนอนหงายโชเนื้อหนังบางสาบางคนก็กำลังนั่งปัสสาวะท่านบอกว่าภาพอย่างนี้เนี่ยมันไม่เหมาะมันเป็นภาพที่กระตุ้นกำนัดพระมาเห็นพระมาลงโบสถ์เห็นแล้วก็จะเกิดความรู้สึกกำนัดนะท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยแทนที่จะจะเลื่อนสมณศักดิ์ให้พระครูเกินสังวนเป็นเจ้าคุนก็เลยอดซะเลยเพราะท่านไม่พอใจเพราะมันดูแล้วก็ท่านไม่เข้าใจว่า เจ้าวานท่าต้องการที่จะวาดเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายนะว่าสิ่งที่สวยงามเทพธิดาที่เคยวาดให้สวยงามรูงท่ากริยาอ่อนช้อยเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีอกักขระกริยาซึ่งมันชวนให้หน่าเบื่อหน่ายได้เหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละท่าแต่ละท่านี้ไม่ได้ชวนให้หน้าชื่นชมเลยเช่นท่าปัสวะเนี่ยหรือว่าท่าที่กําลังวิ่งภาพพอดหลุดลุยที่จริงก็คือภาพเดียวกับที่ยัสะเห็นนั่นแหละ ในยะสะไม่ได้เห็นในในสระแต่เห็นในห้องเจ้าชายสุทธาถาคงจะเห็นคล้ายๆกันถึงเบื่หน่ายแต่ว่ารายการที่ศีไมิ่เข้าใจไปมองแบบเรียกว่าเป็นเจ้าก็ได้จริงๆนี่คือปิศนาธรรมเลยแหละแล้วก็คนที่ออกบวชพาภาพอย่างนี้นี่ก็มีเยอะทีเดียวก็เหมือนกับเราไปชื่นชมตัวละครนางเอกแล้ว ก, กลับไปดูหลังฉากนีเขาแต่งตัวเขาถอดเครื่องทรง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 แต่พอเรามีสติดูไปเรื่อยๆในที่สุดความจริงมันก็เปิดเผยออกมาพอเปิดเผยออกมามันก็สงบมันก็นิ่งได้ไม่ดีใจเสียใจไปกับสิ่งที่เห็นไม่ได้ไปลหลงไหลกับสิ่งที่ปรากฏข้อขอให้เรานะดูให้เป็นเมื่อจะดูละครดูหนังห ร, หรือว่าดูภาพหรือว่าดูคนนะถ้าเราดูเป็นแล้วมันก็ประโยชน์ก็เกิดขึ้นปัญญาก็ปรากฏนะ